การเป็นหมอในโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐนี่นเป็นงานหนักเพราะว่าคนไข้เนี่เยอะนะโดยเฉพาะโรงพยาบาลระดับจังหวัดระดับศูนย์หมอนี่นอกจากต้องดูแลคนไข้ทั้งวันแล้ววันไหนเข้าเวรเป็นหมอเวรก็หมายความว่ามีเวลาพักผ่อนน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอหลายท่านเลยนะ ที่ตั้งใจทำงานเนี่ยจะรู้สึกจะพบปัญหาอดหลับอดนอนโดยเพพาะช่วงที่เป็นหมอเวรนีหมอคนหนึ่งเล่าว่าเนี่ยวันหนึ่งนะคืนนึงเนี่ยนะก็ได้รับมอบหมายให้เป็นหมอเวรก็หลังจากตัวดูคนไข้เรียบร้อยนะก็ไปพักนะกะว่าจะนอน สักหน่อยนะเพราะว่าทำงานเหนื่อยบอกว่านอนได้ไปเดียวเดียวไม่ถึงชั่วโมงมีพยาบาลมาเรียกเพราะว่ามีผู้ป่วยนะเกิดอาการวิกฤตนะคหมอนี่ก็จริงจิงก็รู้สึกเพลียนะไม่ค่อยอยากตื่นแต่ว่าด้วยความสานึกในหน้าที่นะ ก็เลยรู้จักเตียงแล้วก็ไปหาคนไข้เนะี่ยพอไปถึงหอรหรือหอผู้ป่วยคนไข้นี่หน้าสีหน้าท่าทีนี่เปลี่ยนไปเลยนะยิ้มให้กับพยาบาลแล้วก็คุยเล่นนั่นเนี่ยนัดเดทมาแล้วนะก่อนหน้านี้นเนี่ยรู้สึกเพลียนะแต่พอไปถึงหอผู้ป่วยนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะ พูดเล่นกับพยาบาลนาะเดตมาแล้วบิลลี่มาแล้วนะแล้วก็ดูแลคนไข้นะอย่างตั้งใจก็มีคนสงสัยว่าทำไมคุณหมอไม่มีอาการหงุดหงิดเลยนะเพราะว่าอดหลับอดนอนจะได้พักสักทีก็มีคนมาปลุกมาขัดขวางหมอคนอื่นนี่เขาจะมีอาการหงุดหงิดหรือว่า ไม่ค่อยสดชื่นแจ่มใสเท่าไหร่หมอันนี้แกก็อธิบายว่าเนี่ยจริงๆมันก็เพลียนะแล้วก็ไม่อยากลุกหรอกแต่ว่านึกถึงพยาบาลนะพยาบาลนี่เขาทำงานหนักกว่าเราเยอะเขาทำงานดูแลคนไข้ทั้งคืนไม่มีโอกาสมาเงียบแล้วถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาคงไม่มารบกวนเรา ให้เราก็ได้มีโอกาสมางีบนะแล้วก็ได้มาช่วยเขาก็ประเดี๋ยวประดาเดี๋ยวเราก็กลับไปนอนต่อได้แต่พยาบาลยังต้องทำงานต่ออีกและที่สำคัญคือนึกถึงคนไข้นะคนไข้นี่เขามีความทุกข์มีความทรมานมากนะเขลาลำบากกว่าเราเยอะเลยนะ ให้เราแค่อดหลับอดนอนนะแล้วคนไข้นี่อาจจะถึงตายก็ได้ถ้าเราไม่มาช่วยเขาถึงแม้มาช่วยนะก็ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะสุขสบายเท่าไหร่ก็ยังมีความทุกข์เพราะโรคมันเบียดเบียนเพราะนึงได้แบบนี้เนี่ยก็เลยไม่ได้หงุดหงิดอะไรนะผู้ใหญ่งนี่คือว่า ความทุกข์ของเรามันเล็กน้อยนะเมื่อเทียอกับความทุกข์หรือความลำบากของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพยาบาลไม่ว่าจะเป็นคนไข้นะโดยเฉาคนไข้นี่สำคัญมากในการที่เราลงไปช่วยดูแลเขานี่อาจจะช่วยทำให้เขานี่รอดตายได้หรยงน้อยก็คลายความเจ็บปวดคาคลายความทุกข์ทรมานซึ่งมันหนักหนากว่าการ อดหลับอดนอนเยอะนะควคิดไปได้แบบนี้ก็เลยนะไม่รู้สึกมุนงดอะไรนะตรงข้ามนะเราก็ต้องทำให้ทให้เรารู้สึกสดชื่นนะน้อเล่นกับพยาบาลเพื่อเขาจะได้มีกำลังใจทำงานรวมทั้งพูดคุยดีๆกับคนไข้นะพ่ะได้รู้สึกดีขึ้นอันนี้ก็เป็นมุมมองหรือวิธีคิดของคุณหมอท่านนี้นะซึ่ง มันช่วยทําให้ไม่มีความหงุดหงิดไม่มีความโกรธเคืองนะเวลามีคนมาขัดจังหวะนะการนอนหรือเวลามีความไม่สะดวกสบายอย่างอื่นอันนี้เรียกว่ารู้จักคิดถึงคนอื่นนะเป็นเพราะรู้จักนึกถึงคนอื่นนึกถึงพยาบาลที่ลําบากกว่าเราถึงคนไข้ที่เขาทุกข์ทรมานกว่าเรา มันก็ทําให้ความทุกข์ของเรามันกลายเป็นเรื่องเล็กมันทําให้ไม่มีเชื้อให้กับความโกรธความหงุดหงิดคนเราเนี่ยถ้าคิดถึงคนอื่นมากเท่าไหร่เนี่ยนะในความโกรธเครืองนะที่หรือความหงุดหงิดที่ไม่รู้สึกสะดวกสบายมันก็จะลดลงนะลดทั้งความทุกข์อย่างอื่นด้วยมีวิง น, นึงเล่า ว, ว่านะวันนึงเนี่ยบ่ายวันหนึ่งเนี่ย มีรถแท็กซี่คันหนึ่งจอดหน้าบ้านแล้วมาจอดตรงประตูบ้านพอดีประตูรั้วซึ่งเป็นทางเข้าออกรถนะของเธอเธอก็ไม่พอใจมากนะและยิ่งเขามาหลบอยู่ใต้ร่มไม้ของพ่อที่พ่อเธอปลูก เธอก็ไม่พอใจว่าเนี่ยพ่อปลูกต้นไม้ามาเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ใครมามาหลบอยู่ใต้ร่มไม้ไม่ใช่ให้ใครมาจอดรถพักอยู่ที่หน้าบ้านแต่สักพักเนี่ยเธอก็เปลี่ยนความรู้สึกเมื่อมาคิดได้ว่าเออหน้าบ้านของเธอที่มันมีต้นไม้ มันให้ร่มเงาที่ร่มรื่นน่าพักผ่อนนะแล้วพอคิดถึงต้นไม้ที่พ่อเธอปลูกเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะที่ต้นไม้ที่พ่อปลูกและดูแลเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับผู้คนให้คนที่เขาได้มาพักผ่อนเติมพลังแล้วเธอยังรู้สึกดีนะเมื่อเห็นแท็กซี่เนี่ยเอาข้าวกล่องนี่มากิน เลยได้คิดว่าเขาคงเหนื่อยนะคงทํางานมาเหนื่อยเขาได้มีโอกาสมาพักแล้วก็ได้เติมพลังนะเติมกําลังโดยสายรลมเงาของพ่อของต้นไม้ที่พ่อปลูกอีกอย่างหนึ่งนะอถนอนนั้นมันก็กว้างพอนะถ้าเราจะขับรถออกจากบ้านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่เราจะ ต้องใช้รถด้วยไม่มีธุระปากฟังอะไรพอจะคิดได้แบบนี้เนี่ยนะแทนที่จะเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจมันกลายเป็นความรู้สึกสบายความรู้สึกโปร่งโล่งความรู้สึกภูมิใจความรู้สึกดีใจความคิดความรู้สึกมันเปลี่ยนไม่ได้ยังไงนะเพรนึกถึงคนอื่นนึกถึงแท็กซี่ที่เขาได้มาพักอาศัยร่มเงาที่ ของต้นไม้ที่พ่อปลูกนึกถึงต้นไม้ของพ่อว่ามันได้ทําประโยชน์กับผู้คนพอเนึกถึงคนอื่นนึกถึงสิ่งดีๆที่พ่อได้ทําให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนึกถึงคนที่เขาเหนื่อยแล้วก็ได้มีโอกาสมาพักใต้ต้นไม้นั้นมันเกิดความซื่อสัตเป็นกุศลเกิดเมตตาก็ขับไล่ความโกรธความไม่พอใจไปเกิดความสุขมาแทนที่อันนี้พอคิดถึงคนอื่นนี ถ้าคิดถึตัวเองนี่มันมีเหตุผลมากมายที่จะโกรดที่จะไม่พอใจมันที่ของฉันมันหน้าบ้านของฉันแล้วฉันจะออกยังไงนีเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าขา้าวเจ้าของเกิดความรู้สึกหวงแหนขึ้นมาแต่พอคิกถึงความทุกข์ความลําบากของผู้อื่นและความสุขที่เขาจะได้ประโยชน์ที่เขาจะประโยชน์ที่เกิดจะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเออมันเกิดความรู้สึกที่ดีนั่นคือเราเวลามีความทุกข์อะไรเนี่ยลองนึกถึงประโยชน์ ของผู้อื่นหรือนึกถึงความทุกข์ของเขาดูบางทีจะช่วยทำให้ความทุกข์ของเราเล็กลงและทำให้เราเกิดความสึกดีขึ้นมาเป็นความสึกดีที่เกิดจากเมตตากรุณา